สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทกรคนชอบเล่าขออนุญาตแจ้งเข่านะครับเนื่องจากทางช่องนายทกรคนชอบเล่าได้ประสบปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งทาง y ยูทูบไม่ได้แนะนําให้ไปเคลียร์ตัวเองแล้วให้ยื่นเรื่องภายใน30วันหลังจากที่โดนแจ้งทําให้ผมมีความจําเป็นต้องลบคลิปวิดีโอที่คิดว่าละเมิดลิขสิทธิ์ออกไปก็คือให้ลบทิ้งไปให้หมดนะครับแต่ก็ยังคงเหลือทิงไว้เพียงล่องไพรของท่านครูมาลัยชุพินิษหรือน้อยอินทนนท์ซึ่งตามกฎหมายที่ผมได้ไปศึกษามาแจ้งว่า ท่านอาจารย์ผู้ประพันธ์ได้สิ้นชีวิตจากไปครบ50ปีแล้วให้ถือว่าผลงานของท่านอาจารย์ท่านนั้นเป็นสมบัติของชาติอนุญาตให้นําไปเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้โดยไม่ผิดกฎหมายโดยไม่ได้ทําลายเนื้อหางานอันทรงคุณค่าซึ่งผมก็ได้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจและระวังแล้วก็เข้าใจว่าไม่ผิดข้อกฎหมายจึงไม่ได้ลบทิ้งหลังจาก1เดือนผ่านไปที่ผมได้ปฏิบัติตามคําแนะนําของ YouTube แล้วก็ทําการยื่นเรื่องของอนุมัติจาก YouTube อีกครั้ง2 อ, อาทิตย์ผ่านไปเรื่องก็ยังเงียบ จึงได้ทักท้วงถามไปแต่ก็มีเมลแจ้งกลับมาว่างานในช่องของนักถ่ายกรคนชอบเล่าก็ยังไม่สอดคล้องกับนโยบายของ YouTube อยู่ดีให้เคลียร์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รออีก30วันค่อยยื่นเรื่องของอนุมัติใหม่ทําให้ผมไม่เข้าใจจึงได้สอบถามไปให้แน่ใจว่างานชิ้นใดหรืออะไรอย่างไรที่มันไม่สอดคล้องแต่ก็ไม่ได้คําตอบที่ชี้ชัดเนื่องจากผู้ดูแลอ้างว่าเป็นคนระหน่วยงานกันและเนื่องจากไม่มีคําตอบอะไรที่ชัดเจนก่อนที่ตัวผมจะยื่นเรื่องของอนุมัติในครั้งต่อไป ผมก็มีความจําเป็นที่จะต้องลบล่องไพรของท่านครูมาลายชูพินิดหรือน้อยอินทนนท์ออกไปโดยคิดว่าความรู้ทางข้อกฎหมายอาจจะไม่ตรงกันดังนั้นตํานานล่องไพรของท่านครูมาลายชูพินิดหรือน้อยอินทนนท์โดยผมในฐานะคนชอบเล่าก็จะอยู่ให้ได้ฟังกันถึงวันที่9เดือนหน้าครับและผมก็จะลบทิ้งให้หมดภายในวันที่10บเราะผมจะดูว่าเมื่อครบกําหนด1เดือนตามที่ YouTube กําหนดที่จะต้องยื่นเรื่องของอนุมัติอีกครั้งโดยหวังว่าทาง y o ยูทูบคงจะไม่มีข้ออ้างใดๆที่จะไม่อนุมัติอีกแล้ว และจนกว่าการยื่นเรื่องจะเกิดขึ้นผมก็จะไม่โชว์เบอร์บัญชีอีกแล้วนะครับขอบคุณมากครับสําหรับผู้ที่มีน้ําใจคอยให้การสนับสนุนแต่อีกมุมนึงผมก็เหนื่อยครับเพราะถูกมองว่าสแสวงหาแต่ผลประโยชน์ที่จะเอาแต่เงินอย่างเดียวจากผู้ที่ไม่เข้าใจโลกคิดว่าผมได้เงินมามากมายจากการโชว์เบอร์บัญชีซึ่งท่านเหล่านั้นก็ไม่รู้ความจริงหรอกครับเมื่อผมได้หรือเปล่าได้เท่าไหร่แล้วก็จะมีคําพูดที่ว่าใครขอร้องให้ผมมาทําล่ะแต่ก็ช่างเถอะครับคนที่ไม่เข้าใจโลกแบบนี้มีมาก ก็เอาเป็นว่าจนกว่าผลการอนุมัติของ YouTube จะออกมาในครั้งหน้าผมก็จะทำคลิปให้ฟังกันแบบสบายๆครับตามแรงแต่น้ำใจของท่านที่ส่งเรื่องราวมาให้ถ่ายทอดแล้วก็ไม่เคยทอดทิ้งกันสรุปเอาตามนี้นะครับอ้อวันนี้ก็ไม่มีคลิปนะครับขอเวลาช็อกนิดนึงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ